อืจริงธรรมะนี่นะว่าไปนี่เนาะมันมันไม่ใช่พูดเยอะหรอกแต่ที่พูดเยอะมันก็อย่างว่าเนาะเพราะว่าพูดสั้นๆก็ฟังไม่เข้าใจก็เลยขยายพอขยายเนี่ยไอ้คำขยายของผู้พูดก็ดีไอ้คาถามของผู้ฟังก็ดีมันไปบังความจริงหมดเลยอะ่ะเนี่ยมันมันเป็นข้อเสียอยู่ตรงเนี้ยแต่ถ้าหลวงพ่อจะพูดแบบอย่างนี้ยมลองดูนี่มันจะง่ายขึ้นไหมเนาะเออยอมลองดูนะ สมมติว่าเริ่มต้นนะเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นจากความเป็นจริงของชีวิตที่เกิดมาเนาะสมมติเราเริ่มต้นจากว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วอ่าสมมติว่าทุกคนเข้าใจได้เนาะว่าเราเกิดมาแล้วจริงจริงเนี่ย nee, ต, อ EN, ตอนนี้เกิดมาแล้วแล้วก็โตแล้วอายุตอนนี้ก็คือเนี่ยเท่าเท่าที่เป็นอยู่เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวนี้แล้วก็มันเป็นความรู้สึกว่าเราเนี่ยยังมีทุกอยู่เราอะยังมีทุก คือเรามีทุกทั้งกายก็ได้มีทุกทั้งใจก็ได้นะมันมี2ทุกเนาะคือบางคนก็บอกเออทุกทางกายทุกทุกวันเลยเราอะเป็นผู้ทุกแล้วก็ทุกทางจิตใจมันก็มีอยู่ตลอดเวลาหรือเกือบตลอดเวลาเราก็เป็นผู้ทุกกลายเป็นว่าเราอะทุกทั้งกายเราก็ทุกทั้งทางจิตใจไอ้นี่นี่คือความเดิมนะความเดิมตอนที่เกิดมาเนี่ยมันเข้าใจอย่างนี้พอเรามีทุกแล้ว ทำยังไงเราก็ต้องดิ้นรนขวนขวายสแสวงหาธรรมะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยพ้นทุกข์อ่าเห็นหเพื่อที่จะให้เราเนี่ยพ้นทุกข์คือเราเป็นความเข้าใจว่าเพื่อเราจะได้ไม่มีทุกข์ทางกายเพื่อเราจะได้ไม่มีทุกข์ทางจิตใจนี่นี่คือของของเดิมๆนะของที่มีอยู่เนาะแล้วก็พอไปเรียนก็คือทั้งอ่านทั้งเขียนทั้งฟังทั้งสนทนาทั้งสารพัด โดยที่ว่าเรานี่แหละจะต้องไปเรียนเพื่อออกากทุกข์ให้ได้ในชาตินี้ทีนี้พอเรียนไปเรียนมาเนี่ยอาการทางกายก็ยังมีเหมือนเดิมยังเจ็บยังปวดยังเมื่อยเหมือนเดิมน ะ, ะแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆก็ก็ยังโกรธยังอะไรบ้างยังรู้สึกสุขทุกข์ก็ใกล้เคียงกับของเดิมแต่ก็ยังอาจจะรู้สึกว่าเออเราทุกข์น้อยลงเห็นไหมเราทุกข์น้อยลง เราก็พยายามจะเรียนรู้ต่อไปต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราเนี่ยไม่มีทุกข์บางคนอาจจะเข้าใจว่าอ๋อทุกข์ทางกายเราเราจัดการมันไม่ได้เพราะว่ามันมีกายอย่างไงมันเกิดมาแล้วมันก็ต้องทุกข์อ่าอันนี้มีปัญญาก็เลยใจไม่ทุกข์กับกายเพราะว่ามีปัญญาแยกเป็นแล้วว่าเออกายก็ส่วนกายแต่จิตใจไม่ต้องทุกข์ก็ได้ก็เลยใจก็ไม่ทุกข์กับกาย แต่ใจอ่ะมันยังทุกกับไอเรื่องของที่จะให้ใจเนี่ยให้มันไม่ทุกด้วยเช่นอาจจะเข้าใจว่าเออถ้าไม่ทุกแล้วเนี่ยจิตใจจะต้องนิ่งจะต้องเฉยจะต้องส ง, งบจะต้องไม่มีความโกรธใจจะต้องไม่มีอาการอะไรเลยอันนี้คือคาดหวังเอาว่าเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็พยายามทําความเพียรปฏิบัติเข้าคอรฟังคน น, คนน่นคนนี้ฟังแล้วฟันอีก ทำไปทำมาอาการเหล่านั้นมันก็ยังมีอยู่แต่อาจจะน้อยลงก็ได้แต่ก็ความรู้สึกลึกๆว่าก็เรายังไม่พ้นทุกขอ่ะเรายังไม่พ้นทุกทางใจก็ดิ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆทั้งอ่านทั้งฟังทั้งจําอะไรมามากมายแต่สุดท้ายมันกี่ปีมาแล้วเนี่ยใกล้ตายแล้วเนี่ยแต่จิตยังไม่เคยนิ่งตามปรารถนาเลยอจิตไม่เคยเฉยตามปรารถนาเลยอะ่ะเพราะเมื่อก่อนหวังว่าจิตต้องนิ่งต้องเฉยเนาะต้องไม่มีอาการ แต่นี่ปฏิบัติมากี่ปีแล้วอ่ะมันก็ยังมีอาการอยู่ดีอ่ะยกเว้นนอนหลับไม่รู้เรื่องพอตื่นมาเอามันเริ่มคิดเรื่องนึกเริ่มมีอารมณ์เริ่มมีอาการแล้วแต่ทําไมอ่ะมันเหมือนกับบ่นอยู่ในใจว่าทําไมเนี่ยมันไม่ถึงทําเสียทีทำไมมันไม่มันไม่หยุดเสียทีอาการเนี่ยให้มันทำไมมันไม่เหมือนกับว่าให้มันนิ่งมันเงียบมันไม่มีอาการเลยอ่ะอันนี้มันเป็นความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงเลยไงก็เลยไม่พ้นทุกเสียที ทีนี้มันจะพ้นทุกข์ได้ก็คือเนี่ยฟังเข้าใจบอกว่าเออคุณเข้าใจเสียใหม่นะเข้าใจเสียใหม่นะหนึ่งเข้าใจว่าอาการที่เกิดขึ้นในจิตเนี่ยมันเป็นสังขารอ่ะเป็นเป็นสังขารทางจิตจะไปหยุดจะไปสั่งมันไม่ได้คุณวางได้เถอะไอความปรารถนาของคุณวางให้หมดเลยว่าไอที่คุณเคยหวังไว้อ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่คุณพลิกเปลี่ยนมาใหม่คือให้รู้ความจริงอะไรที่เกิดขึ้นในจิตในใจอ่ะ ก็ให้มันเกิดไปอย่างเกอเกอรของมันอย่างนั้นแหละรับรู้รับทราบไปนะฝึกเออฝึกให้จนแบบเข้าใจแหละอะไรเกิดขึ้นก็อย่าไปโวยวายอย่าไปเอ๊ะอย่าไปอะมันหัดหัดรู้หัดดูไปอ่ะทีนี้พอได้ฟังอย่างนี้อ่าเริ่มเข้าใจแล้วก็เลยไปปฏิบัติก็คือว่าเอออะไรเกิดขึ้นในจิตก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะ ไ, ไม่เป็นไรอยู่แล้วเพราะเข้าใจแล้วอ่าพอเข้าใจเสร็จแล้วความรู้สึกว่าเออการคับแค้นใจความความอะไรก็เริ่มจางคลายหายไปเพราะว่าเข้าใจถูก พอเข้าใจถูกเสร็จแล้วต่อมาก็เหมือนกับว่าเอ้ยเหลืออีกนิดแล้วเราจะบรรลุธรรมแล้วเนี่ยอาการในจิตก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วตอนนี้เราเราอะ เ, เราความทุกข์จะน้อยลงตามลาดับแล้วเราเหลืออีกนิดเดียวเราต้องพยายามทำความเพียรไปอีกหน่อยหนึ่งในชาตินี้ขอพน้นขออะไรนะถึงที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้ก็มีตัวเราพยายามจะให้ถึงตรงนั้นอีกทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าเอ้ย อย่างนี้มันก็พ้นทุกข์ไม่ได้เพราะว่ายังมีคุณยังอยากอยู่เลยอยากจะได้อย่างที่คุณหวังอ่ะคุณต้องเปลี่ยนไหมต้องหยุดอยากในสิ่งที่คุณอยากหยุดอยากในสิ่งที่คุณอยากเมื่อฟังอย่างนี้ปั๊บก็มาฝึกเรื่องหยุดอยากในสิ่งที่อยากก็หมายความว่าเวลาอยากก็ให้รู้ทันว่าอยากแล้วเมื่อรู้ทันเสร็จก็ละความอยากเสียก็คืออย่าอยากคือไม่ใช่ว่าอย่าอยากคือรู้ทันพอมันอยากอยากจะพ้นทุกข์ก็รู้ทัน มันอยากจะได้นั่นอยากได้นี่ก็รู้ทันเอเมื่อรู้ทันแบบนี้ยเขาเรียกว่ามันทันไงความอยากก็กําเริบไม่ได้พอความอยากจะเกิดขึ้นอยากจะเป็นโน่นเป็นนี้เอามันก็รู้ทันพอรู้ทันมันก็มันก็ดับสิใช่ไหมพอดับเสร็จก็เอ้าพัฒนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเออรู้ทันแล้วรู้ทันแล้วพอรู้ทันเสร็จแล้วสิมันก็มีตัวเราไปรองรับผลดีกว่า เออตอนเนี้เราปฏิบัติทำเก้าวหน้าเยอะแล้วเราอะรู้ทันแล้วรู้ทันความอยากพอรู้ทันความอยากความอยากก็ดับไปโอ้ยเราจะต้องเราจะต้องกัดติดจอดๆจดตรงเนี้ยเราจะต้องรู้เท่าทันความอยากอยู่เรื่อยไปอ้าวทีนี้อาจารย์บอกว่ามันก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะว่ายังมีเรายังมีเราอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพ้นทุกข์ได้มันจะต้องดับความเป็นตัวเราดับความเป็นตัวกูเสีย เห็นไหมที่พูดมาทั้งหมดอยังมีตัวเราอยู่เลยเราเป็นผู้เราอะรู้ทันแล้วความอยากเรารู้กิเลสแล้วเราแล้วดูดีๆสิเรามันมีที่ไหนเราไอ้ความไอ้ที่เรียกว่าเป็นเราอ่ะเอาดูดีๆมันเป็นเราจริงหรือเปล่ามันเป็นแค่ความคิดหรือเปล่าหรือเป็นแค่สังขารหรือเปล่าดูไปดูมาโอ้เราจริงๆมันไม่มีนีิวามันมีแค่ความคิดมีแค่ความปรุงแต่ง แต่รู้ไม่ทันสติปัญญาไม่มีไม่เกิดก็เลยรู้ไม่ทันพอรู้ไม่ทันปั๊บมันก็เป็นเราแต่พอรู้ทันปั๊บเอ้ามันมีแต่สังขารที่เกิดแล้วก็หมดไปพอสังขารเกิดแล้วก็รู้ทันมันก็หมดไปหมดไปเอ้ามันมีแต่แค่สิ่งเกิดดับนี่เออมันมีแค่สิ่งเกิดดับเนี่ยหลงสิ่งเกิดดับมาตั้งนานกี่พหุกี่ชาติแล้ว พอรู้ทันตรงนี้อ่ะโอ้เราเข้าใจแล้วเราเข้าใจแล้วเมื่อกี้เราหลงไปว่ามันเป็นตัวเราจริงๆบัดเนี้ยเราเนี่ยหายหลงแล้วเออเราไม่หลงแล้วเราแจมแจ้งแล้วแต่ก็ยังไม่หลุดพ้นอยู่ดีเพราะว่าเราเป็นผู้ไม่หลงแล้วเราเป็นผู้แจมแจ้งแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นเอาวิชาเนี่ยมันละเอียดมากมันมันเกิดขึ้นทุกขณะ จ, จิตเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอาศัยครูบาอาจารย์แหละในชั้นเนี้ย มันจะเข้าใจด้วยตนเองไม่ได้ครูบาอาจารย์ทักครูบาอาจารย์ชี้ก็อืมพิจารณาดูว่าเออที่ท่านชี้บอกว่ายังมีตัวเราเป็นผู้เป็นผู้รู้แล้วอ่าก็ให้วางตัวเราเสียให้วางในเนี้ยเพราะมันเป็นแค่สังขารเนี่ยไอ้ผู้รู้แล้วเนี่ยถ้ายังเป็นเรารู้เนี้ยอย่างเงี้ยโอ้ยังเป็นอวิชชาอยู่เ อ, อเพราะนั้นรู้เท่าทันว่าถ้าบอกว่ารู้แล้วเรารู้แล้วอ่อาอวิชชาอีกแล้วเพราะมันเป็นเรา แต่พอรู้ทันปั๊บอ้าวมันเป็นแค่ความคิดเป็นแค่สังขารปรุงแต่งแล้วมันก็ดับไปความเป็นเราก็ดับไปเมื่อเป็นความเราดับไปอย่างเงี้ยก็เรียกว่ามันจบไงมันจบตรงที่ไม่มีเราถ้ามันหลงมาเป็นเราเมื่อไหร่นะในชั้นตรงเนี้ยมันก็ต้องพัฒนากันต่อก็คือรู้เท่าทันในความหลงอ่ารู้เท่าทันในในในความหลงผิดหลงผิดเป็นตัวเป็นต้นเป็นเรารู้เท่าทันเมื่อรู้บ่อยๆบ่อยๆเข้าเนี่ยมันจำนานเนาะ มันชำนาญพอชานาญเสร็จแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าความเป็นตัวเราก็โผลมาไม่ได้ถึงโผลมาก็อาจจะรู้ทันอยู่อ่ะก็รู้ทันเนี่ยตรงเนี้ยถือว่าเป็นเป็นประตูสําคัญและรู้ทันรู้ทันนี่เนาะเพราะว่ามันต้องเป็นเป็นประสบการณ์เป็นทางเดินตรงที่รู้ทันแต่ก็ไม่ใช่ว่าเรารู้ทันนะมันเป็นมันเป็นเรื่องของเออเป็นเรื่องของอะไรเขาเรียกว่าสติปัญญาซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมชาติเนี่ยมันรู้ทัน เมื่อรู้ทันเสร็จมันก็ไม่หลงเข้าไปเป็นนะแล้วก็ต่อมาก็มันจะเข้าใจแจ่มแจ้งเลยว่าโอ้ไอ้ธรรมชาติปรุงแต่งเนี่ยที่เคยหลงยึดถือมานานมันเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้ถ้าครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอ๋อมันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่ไม่ปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารก็ทําให้เกิดเข้าใจอีกมุมหนึ่งว่าโอ้ธรรมชาตินี้มันมี2 อ, อประเภทประเภทหนึ่งคือเป็นสังขารประเภทหนึ่งเป็นวิสังขาร เรารู้จักวิสังขารแล้วเรารู้จักวิสังขารแล้ววิสังขารคือความไม่ปรุงแต่งคือความสิ้นทุกเรารู้จักแล้วเอาอีกแล้วเอาวิชาอีกแล้วทําไมเรียกว่าอวิชาก็เพราะมีเราเป็นผู้รู้จักวิสังขารไงอ่าทีนี้เมื่อรู้ทันว่าเอ้ามีเราเป็นผู้รู้จักวิสังขารอีกแล้วกลายเป็นว่าไอเราที่เป็นผู้รู้วิสังขารอันเนี้ยมันก็ที่แท้ก็คือความปรุงแต่งนั่นเองอ่า ก็เลยเมื่อรู้ทันปั๊บไอความปรุงแต่งว่าไอที่เราเป็นผู้รู้วิสังขารเนี่ยอัเนี้ยก็ดับลงอีกเออเพราะฉะนั้นไอตัวเราเนี่ยมันจะเกิดถี่ยิบเลยนะไอตัวเราเนี่ยมันจะเกิดเป็นผู้รู้ถี่ยิบเลยรู้นั่นรู้นี่แล้วโยมลองดูนะที่เราปฏิบัติธรรมกันหลายปีเนะี่ยไอที่ติดรู้เนี่ยที่ไม่วางไม่ได้ปล่อยไม่ได้เนี่ยเพราะไม่เห็นไงไม่เห็นว่าเราเป็นผู้รู้โยมลองดูง่ายๆนะ โดยเฉพาะคนที่เรียนธรรมะเนี่ยบางคนน่ะชอบชอบอ่านใช่ไหมเออชอบอ่านตำราโดยเฉพาะอ่านพระไตรปิฎกยมลองให้เห็นภาพเลยนะว่าใครล่ะไปอ่านพระไตรปิฎกก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่มีอยู่ใช่ไหมแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งก็คือที่เรียกว่าตัวเรานี่แหละเรียกโดยสมมตินี่แหละตัวเราเนี่ยเป็นผู้ไปเรียน เมื่อไปเรียนมันก็เกิดความรู้เกิดสติปัญญาขึ้นมาเห็นไหมเวลามันเกิดมันก็เกิดในฝั่งเรานี่แหละฝั่งเราคือฝั่งตัวเราเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้เป็นผู้รู้ยิ่งอ่านเท่ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้มากรู้แจ้งแต่ทำไมมันพ้นทุกข์ไม่ได้รู้ไหมก็เพราะว่าไปหลงยึดถือว่ามีตัวตนมีเราเราเป็นผู้รู้แล้วก็ยึดหมดเลยยึดทั้งตำรายึดถึงตัวเราที่เป็นผู้รู้แต่ถ้าปล่อยหมดนะ ปล่อยตำราตำราก็ไม่ใช่เราก็ตำราก็มีอยู่ของมันอย่างนั้นไม่มีผู้ยึดเห็นไหมมันก็เป็นความว่างแล้วไอตัวเราที่เป็นความที่มีความรู้เนี่ยนะที่ไปอ่านมากรู้มากอันนี้ก็เป็นขันห้าเป็นสังขานปรุงแต่งนะเออจริงๆมันก็ไม่ใช่ตัวเราแต่ที่มันผ่านตรงนี้ไม่ได้เพราะไม่เห็นไม่เห็นตรงนี้ไงไม่เห็นตัวเราเนี่ยไม่เห็นตัวผู้รู้เนี่ยพอไม่เห็นปั๊บมันก็ยึดมาเป็นตัวเป็นตนเป็นเรามันก็เลยไม่พ้นทุก แต่ถ้าเห็นว่าไอ้ตัวเราเนี่ยที่เป็นผู้รู้เนี่ยผู้รู้เนี่ยเห็นว่ามันเป็นสังขารเกิดดับและก็ยึดถือไม่ได้จนกระทั่งว่าวางวางก็คือว่าคือไม่หลงยึดไงความหลงไม่มีมันเป็นวิชาไปแล้วก็ความหลงไม่มีปั๊บตัวเราก็ไม่มีเห็นไหมเมื่อตัวเราไม่มีก็แปลว่าอะไรตําราก็ไม่มีตัวเราก็ไม่มีมันจบหมด เพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าถึงที่สุดแห่งทุกคือมันจะต้องจบลงด้วยความไม่มีไม่มีคือไม่มีความยึดถือไม่มีความหลงผิดไม่มีกิเลสตัณหาอุปาทานไม่มีอวิชชาคําว่าไม่มีนะก็คือไม่มีลักษณะแบบเนี้ยแต่ทุกวันนี้เห็นไหมละมันมีมีมีมีเรามีเราพอมีเราก็มีเขาแต่ถ้าไม่มีเราอย่างเดียวเนี่ยเขาก็ไม่มีแต่ถ้าลองบอกว่าเขามีเห็นไหมก็มีเราอีกแล้วเป็นผู้บอกว่าเขามีแต่ถ้าไม่มีเรา ใครจะบอกเราว่าเขามีมันไม่มีใครบอกมันก็เป็นความนิ่งเงียบเป็นความไม่ปรากฏอะไรเพราะงั้นเนี่ยธรรมะเนี่ยขั้นลึกเนี่ยต้องต้องเจาะกันอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจกันได้ง่ายๆเพราะว่ามันเป็นวิชาคือมาบางังบังตัวเจ้าของคือไม่เห็นตัวเองอะ่ะว่าตัวเองเป็นแค่ขันห้าเป็นแค่สังขารไม่เห็นและทีนี้จะทํายังไงให้เห็นก็เนี่ยก็คุยกันก็บอกเนี่ยคือให้เห็นตัวเองเนี่ย ตัวเองที่เป็นผู้รู้ผู้อ่านผู้ฟังผู้คิดผู้เก่งทั้งหลายผู้ไม่เก่งนะผู้เข้าใจผู้ไม่เข้าใจเนี่ยไอตัวเนี้ยมันเป็นขันห้ามันเป็นสังขารปรุงแต่งหมดเลยกลับมารู้ตรงนี้ถ้ารู้แจ้งเมื่อไหร่แล้วก็คือมันก็สิ้นยึดกันมันก็วางลงพอวางลงเสร็จมันก็จบก็นี่แหละนะการหลุดพ้นเนี่ยคือต้องต้องกลับมาเห็นเห็นว่าเออมันยังมีตัวเราอยู่ยังมีตัวเราอยู่ยังมีตัวเรา ตัวเราเป็นผู้ได้เป็นผู้นั่นผู้นี่มันยังมีตัวเราอยู่ให้เห็นตัวเราแบบเนี้ยแล้วมันก็จบลงทุกขณะจิตเลยที่ที่เห็นตัวเราหรือว่ารู้ตัวเร า, านะครับหลวงพ่อแต่ว่าอาจจะแชร์ประสบการณ์ที่ที่เจอมาช่วง <c oughs> เดือนสองเดือนนี้นะครับก็คือว่าเมื่อวานเมื่อวานครับเมื่อวานผมไปไปตรวจสายตามาเนาะเนื่องจากว่าตาข้างขวาเนี่ยมัน มันมองเห็นเป็นเหรียญดำๆสรุปก็คือว่าน่าจะเป็นที่จอประสาท ต, ตามันมันมันเริ่มเสื่อมแล้วครับเนื่องจากการทํางานและการใช้ชีวิตเนานะตอนที่เป็นครั้งแรกที่เห็นครั้งแรกเนี่ยเมื่อประมาณ2เดือนก่อนเนี่ยผมก็ไม่ได้ตกใจนะเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่ารู้สึกเครียดอะไรมากมายเนาะผมก็รู้สึกว่าเอ้ยสังขารมันไม่เที่ยงอะ่ะเออมันมันเป็นการเสื่อมตามธรรมชาติของมันเอง ก็ไม่ได้รู้สึกกระวนกระวายใจอะไรมากมายแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นเมื่อที่มันผ่านมาเมื่อปีสองปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นสุขภาพเป็นแบบนี้นะครับผมจะรู้สึกว่าเครียดรู้สึกเป็นอะไรนะจะต้องไปหาคําตอบจะต้องรีบด่วนไปหาหมอเออก็เลยไม่แน่ใจว่าการที่เป็นรอบเนี้ยแล้วเราเร า, เรารู้สึกว่าเออเราก็ยอมรับมันได้แล้วเราก็ไม่ได้ด่วนจะไปหาหมอได้ปล่อยเวลาล่วงเลยมาทั้งสองเดือนเพิ่งจะไปหาหมอเมื่อวาน ก็เลยรู้สึกว่ามันมันดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้เนาะการที่เราเข้าใจว่าเอ้ยร่างกายของเรามันก็จะเสริมตามตามสภาพตามการเวลาแล้วก็ไม่ได้เร่งด่วนว่าจะต้องไปรักษาอะไรมันอะไรประมาณเนี้ยครับอื ม, อ, มอันนี้ใช้เฉยก็ได้ครับหรือหลวงพ่อมีอะไรจะเสริมก็เสริมได้นะครับขอบคุณครับอ่าหลวงพ่อรวบรบตัดความให้นะเราอ่ะ ไปยุ่งแต่เรื่องตาเรื่องอาการเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นอันนั้นก็โอเคแหละมันก็มีเหตุการณ์อย่างที่ที่เล่าอ่ะนะแต่มีเราอ่ะไปยุ่งกับมันนึกออกไหมมีเราอ่ะไปยุ่งกับมันเพราะฉะนั้นให้เห็นเราผู้ยุ่งเนี่ยว่าเราอ่ะไปยุ่งกับมันเห็นว่าไอ้ตัวเราที่เป็นผู้รู้มันอ่ะไปยุ่งกับมันอ่ะที่ไปพูดเรื่องมันอ่ะไอ้ตัวเราตัวเนี้ยเป็นสังขารปรุงแต่งเป็นขันท่าแล้วก็ทิ้งมันไป ทิ้งมันไปเพราะมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสังขารเออมันเป็นสังขารมันเป็นทุกข์รู้แล้วปล่อยเลยอ่าเพราะฉะ น, นั้นการปล่อยที่แบบถอนรากถอนโคนเนี่ยคือเดี๋ยวนี้ตอนนี้คือปล่อยตัวเองอ่ะที่มันไ ป, ไปยุ่งกับเขาไปพูดเรื่องเขาโอเคไหมตรงนี้ถ้าไม่เข้าใจให้ถามอีกหน่อยหนึ่งเขาเาเขา้เขาใจครับหลวงพ่อแต่ว่าในเชิงปฏิบัติ ไม่ไ ม, มไม่มีแต่ว่าไม่มีแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้ถ้าเข้าใจเลยคือเข้าใจเลยถ้าแต่ว่ามันก็มีตัวเราอีกตัวหนึ่งเป็นผู้แต่ว่าก็ให้รู้อีกว่าอ๋อมันมีตัวเราอีกเป็นผู้เป็นผู้เหมือนกับว่ายกเหตุผลบ้างยกอะไรขึ้นมาต่อรองบ้างอะไรเนี่ยเห็นไหมให้เห็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้ถ้าจับทางได้ตรงนี้ว่าการรู้ตัวเราคือรู้ตัวเราในปัจจุบันคือไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวที่ที่ มันอ้างเหตุผลหรือว่ามันพูดอะไรไปหมดเลยมันอ้างไปหมดเลยเนี่ยรู้ตรงเนี้ยแค่รู้แล้วก็ไม่ต้องไปจัดการไม่ต้องไปทำอะไรมันแค่รู้แต่ว่ารู้ด้วยปัญญาว่าไอตัวเนี้ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งยึดถือไม่ได้ให้เห็นแจ้งๆเลยแตไไไ่ไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปทำลายสักอย่างเพียงแต่เห็นว่ามันเป็นแค่สิ่งเกิดดับแค่นี้โอลึกซึ้งมากครับหลวงพ่อแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองจะไม่ค่อยทันตรงเนี้ยทุกทีเลยเวลา เกิดเหตุอะไรประมาณนี้ครับออไม่ไม่ทันสิ่งที่ตัวเองปรุงแต่งขึ้นมาสังขารที่ตัวเองปรุงแต่งขึ้นมาออก็ไม่เป็นไรแต่บอกบอกให้ฟังแล้วแล้วก็ก็เรียกว่าบอกให้ฟังแล้วอ่ะน ะ, จะเจริญเอาเองคำว่าจเจริญเอาเองก็ก็ไปดูว่าเราเป็นผู้จเจริญหรือว่ายังไงก็เดี๋ยวก็รู้ตัวเราเองว่าโอ้มันมีเราเป็นผู้จเจริญอีกแล้วเป็นผู้ไปทาแล้วมันก็จะรู้เรา แต่อันนี้มันเป็นคําบอกเนาะเป็นคําชี้บอกเพื่อเป็นจุดต้นทางที่จะให้รู้แบบถอนรากถอนโคนแล้วก็พ้นทุกข์ได้ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นทุกคราวที่จะอ้างเหตุผลบอกก็หลังผมยังทําไม่ได้อ่าเห็นไหมให้รู้ทันทีเลยว่าเออไอทําได้ไม่ได้มันเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ขณะปัจจุบันเนี่ยคือให้รู้ผมนี่แหละไม่ใช่ไปไม่ใช่ว่าต้องไปทําอะไรคือรู้ผมคือรู้ตัวเองเนี่ยว่าโอ้นี่มัน มันปรุงขึ้นแล้วมันมันพูดขึ้นแล้วมันคิดขึ้นแล้วแค่เนี้ยแค่รู้พอแล้วก็ก็ผ่านไม่ต้องทําอะไรสักอย่างเดียวไม่ต้องไปไม่ต้องไปห้ามไม่ต้องอะไรนะปัจจุบันทันด่วนนี่หลวงพ่อต้องเอาแบบนี้แล้วทุกวันเนี้ยสาธุครับลึกซึ้งมากครับยมวีละครับที่หลวงพ่อพูดมาเมื่อกี้นี่บอมันสะ ก, กิดใจผมมากเลยผมมีลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆก็พูดตรงๆก็เคยขึ้นถึงสุดแล้วแต่ลงนี่ลงยากมากเลย ขนาดว่าหมดปัญญาไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะแต่มันก็หลุดของมันเองแต่หลุดมาเองแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าเออปัญญามันขึ้นเองเหมือนเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรแต่ก็ยังมาติดอีย่านเดิมนะก็อยากจะจะจะจะแชร์แค่นี้นะครับหลวงพ่อเพื่อนหลวงพ่อมีอะไ้แนะนําครับสาธุครับก็มันเป็นเรื่องของความชํานาญนะนะอุปมาเหมือนกับว่าเราเรียนเนี่ยเรียนขับรถเนาะเออตอนแรกเราขับไม่เป็นเลย แล้วต่อมาเราก็ได้ฟังจากครูสอนจากพี่เลี้ยงก็บอกว่าวต้องขับอย่างนี้ต้องอย่างนี้เราก็ลองขับพอลองขับปับ๊บมันเริ่มเป็นบ้างแล้วอ่าเริ่มเป็นทีนี้ถ้าเราขับทุกวันขับบ่อยๆเนาะเออมันก็จะเริ่มเป็นมากขึ้นแล้วก็ชํานาญมากขึ้นแล้วเมื่อชํานาญมากขึ้นก็ยิ่งขับเท่าไหร่มันก็ยิ่งชํานาญนะเรื่องเนี้ยอุปมาได้ฉันใดก็คือฉันนั้นเลยไอความเข้าใจที่ที่เริ่มเหมือนกับ ว, ว่าจับทางได้แล้วเนี่ยว่าโอ้การพ้นทุกแบบฉับพันแบบถอนแบบ ร, รากถอนโคนคเนี่ยคือขณะจิตปัจจุบันเนาะ ที่รู้ตัวเองอ่าที่รู้ตัวเองอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยที่ผ่านมาอ่าอาจจะเออรู้สึกว่าเ อ, อ้ยใช่เลยแบบนี้เลยอะไรเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยก็ทําให้เหมือนกับว่ารู้จักแล้วว่าโอ้การบรรลุธรรมฉับพลันคือต้องรู้แบบนี้ทีเนี้ยเวลาที่เหลือที่ยังไม่ตายเนาะขาน่ายังไม่แตกดับก็คือทําความเพียรก็คือทําความเพียรก็คือไปไปขับรถ อ, อุปมาเหมือนว่าขับรถทุกวันขับบ่อยๆเนาะเออเดี๋ยวมันก็จะชํานาญเองแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยให้พึงเข้าใจด้วยปัญญาว่า มันไม่มีเราเป็นผู้ฝึกไม่มีเราเป็นผู้ทาอะไรแต่ยังกระทายังเดินยังนั่งยังนอนยังพูดคุยยังอ่านยังฟังธรรมะหรือไม่ฟังธรรมะเหมือนเดิมแต่นั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นการพัฒนาเนาะเขาเรียก ว, ว่าทำความเพียรทำความเพียรมากๆแต่ไม่ได้มีเราเป็นผู้ทำความเพียรอ๋อครับสาธุครับ ก็วันนี้ก็หลวงพ่อก็คงจะยุติแค่นี้เพราะว่าที่เข้ามาพูดวันนี้ก็คือต้องการเน้นตรงนี้แหละแบบว่าบรรลุธรรมฉับพันกันเลยแบบถอนรากถอนโคนกันเลยคือให้รู้เราเราคนไหนเราก็คือผู้ที่นะผู้ที่เรียนธรรมะผู้ที่มีทุกข์ผู้ที่มีความรู้แจ้งในหลักธรรมผู้ที่เข้าใจธรรมะ เนี่ยเห็นไหมมันเป็นเราหมดเลยให้รู้ว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวสังขารปรุงแต่งยึดถือไม่ได้นะก็ให้รู้ในปัจจุบันขณะนะปัจจุบันขณะก็คือเดี๋ยวนี้ตอนนี้เพียงรู้อยู่อย่างนี้ไม่ต้องไปเรียนเยอะก็ไม่ได้ว่าแต่ต้องกลับมาว่าไอ้ผู้เรียนเนี่ยไอ้ตัวนี้มันเป็นสังขารผู้เรียนเนี่ยถึงจะมีความรู้มากมายมหาศาลขนาดไหนแต่สุดท้ายต้องทิ้งหมดต้องวางหมด วางตอนไหนไม่ใช่ว่าวางพรุ่งนี้วางเมื่อรื่ น, นี้หรือวางต่อเมื่ออายุ7จ0ปปีแล้วค่อยวางตัวนี้วางเดี๋ยวนี้ตอนนี้แล้วก็จะพ้นทุกข์เดี๋ยวนี้ตอนนี้อ่ะวันนี้ก็เอวางเนาะใครมาทีหลังก็ติดตามฟังซ้าอีกทีหนึ่งชุดนี้นับว่ามีประโยชน์มาก